ที่สามเดุณพูได้แค่ไหนก็ไม่สราบมาก ข, ขอมาสำหรับวันนี้ก่อนจะลงมาที่เวหาคัคท่านบอกว่าให้ย้ำนุ่งทำมานุสติให้มากแค่สงใัยนี่อพุทธานุสติคนนึกออกทั้งคานุสติคนนึ้ออกจะทำมานุีติหาย พอท่านตื่ทนท่นก็นึกได้ว่าวันนี้มีคนมาถามเรื่องแบบบาปเขาถามว่าขายของผิดกฎหมายบาปไหมใช้า ย, ยาเสพติด บ, บาปไหมแต่ตัวนี้ต้นนะเรื่องความว่าคําว่าบาปนี่บรรดาท่นพุทธบริษัททุกคนก็ไม่มีไม่น่าจะประนามกันลดเงี้ยเพื่อ้องกันไปนะช่วยสุกนะ เพรว่าถ้ามบาปที่เราหนีก็ไม่ได้หรือว่าทุกคนเนี่ยหนีบาปไม่รอดหนีได้ไหมเพราะบาปที่แปลว่าชั่วอะไรก็ตามที่ทําลงไปแล้วถ้ามันชั่วตรงทือว่าเป็นบาปเพบาปแปลว่าชั่วทุกอุน่นนี่แปลว่าดีคนทุกคนเกิดมานต้องมีบาป แต่ว่าถ้าจะถามว่าทําไมคนนั้ไปเป็นยวราได้เป็นนาว้าได้ไปสวรรค์ได้ไปสัมมาโลกได้ไปนิพพานได้ถ้าถามว่าคนพวกนั้นถ้ามีบาปไปได้อย่างไงก็ต้องตอบว่าเขาสามารถหลบบาปได้ไปได้เพื่อบาปไม่หมดแ้่สามารถหลบหนีบาปไปได้ วิธีการหลดหนีบาปตามพระพุทธเจ้าทรงสัตย์องรทรงสัตย์ว่าพิฆเวดูก่อนที่สุดทลายขึ้นชื่อว่าความชั่วทั้งหลายที่ทํามาแล้วทั้งหมดอย่าตามนึกถึงมันให้ตั้งใจนึกถึงได้ความดีอย่างเดียวในความหมายความความผิดหรือความชั่วรุ่บาปที่ผ่านมาแล้วทั้งหมดก็คือว่าแล้วกันไป ไม่ได้นเงินไม่ได้ต่อไปพก็ น, นึกถึงเฉพาะความดีคือมู่นหน้าทำํำเฉพาะความดีแต่การมู่นหน้าทำํำเฉพาะความดีในจะให้ดีทุกอย่างก็ไม่ได้เหมือนกันทั้งนี้ข้ออะรก็รกว่าผู้ทรงฌานโลภีถ้าเวลาจิตเคลื่อนออกจากฌานอารมณ์ก็ปกติ วิวรราก็ครอบาำก็สามารถจะทําบาปได้อย่างพระโสดาบันพระโสดาบันนี้ไม่มีโทษในไบายปุ่มจริงั่หมายความว่าคนที่เป็นมรโสดาบันแล้วไม่มีโอกาสตกมรรคเป็นเปรดเปะสุรกายเป็นสัตว์เรัจฉานแต่ว่าจะถือว่าพ้นบาปทุกอย่างก็ไม่ได้ อั้งนี้เพราอะไรเพราะว่าพระสุนดาบันตัดสัยญได้แก่สามอย่างในด้านปัญญายัางใช่ส่ำ ม, มากปัญญามีความรู้สึกเียงว่าชีวิตนี้ต้องตายแล้วก็ต่อไปปัญญามีความรู้เคารพรรในพระเจ้าในประธรรมในพระอริยสงฆ์และก็ทรงสินห้าบริสุทธิ์อย่างนี้ที่ว่าคาว่าความชั่วอย่างอื่นยังมีอยู่ แปลว่าความทั่วทั้งหลายเหล่านั้นไม่สามารถจะดึงลงมาใบภูมิได้ยังกับสินห้าเนี่ยยังมีกล้องในวันด้านวาจาอยู่มากในสินห้าด้านวาจามีเฉพาะหนึ่งไม่พูดเท็จอย่างเดียวแปลว่าถ้าไปดูกำหมดสิบกำหมดสิบเขาไม่พูดเท็จ ด, ด้วยไม่พูดคำหยาบด้วย ไม่สอนเสียดยุย่ยส่งเสียงใครด้วยไม่พูดวาจาไร้ประโยชน์ด้วยแม้คำยากก็ดีการพูดสอนเสียก็ดีการพูดไรประโยชน์ก็ดีพระโวสดาวันยังมีแต่ก็มีไม่มากไป่ถึงขัง้นสินขาดเขาเสียว่าเป็นการเศ้าหมองลงความพระโสดาวันยังไม่คนบาปแต่บาปของพระสวสดาวัน ไม่สามารถจะตึงรัวใบหญ้าปูิได้หรือคนนี้เป็นวัสดารันแล้วะตกมนุษไปได้เป็นเปรืก็ไม่ได้เป็นสุกรกายก็ไม่ได้เป็นสัตว์สิงห์ไก็ไม่ได้ตอนนี้ก็จะไม่พูดถึงพระอนันตชกิธานคารมีมาถึงด้านพระอนาคามีด้านพระอนาคามีตัดสัญญาณได้อีกสองเป็นห้า ลายกรรมฉันท่าความรู้สึกในเพลดได้ตัดสติท่าความโปรธได้แต่ว่าพระอนาคามีก็มีรมพุ่งสัน่นาลมพุ่งสั่นจริงๆนี่ถือว่าเป็นบาตชัดกไม่แน่นะแต่ถือว่าไม่ใช่บาตก็ไม่ได้เพราะเป็นลมชั่วพระอนาคามียังต้องตัดเนี่ยดีท่าคือหนึลงในรูปฌานต้องตัดไป สอวหลงในรูปประชานต้องตัดไปกาจรจีงหลงในรูปชนะรปชานพอดีแในรูปปชานพอดีไม่ใช่บาปไม่ถือว่าหลงทั่วติดอยู่แค่ภพมนุษย์ไม่เป็นไร <c oughs> อันนี้พระนนาคามียังมีมานะ ก, การถือโซถือตนการถือโซถือตนนี่ถื อ, ถ อ, ถอเป็นกิเลสหยาบยัาถือว่าไม่บาปไม่ใหญ่เพรเป็นแรงความชั่ว แต่ว่าเป็นความชั่วที่เปลี่นรสัยคือมีกําลังเบาไม่สามารถนําัวบายภูมิได้ต่อไปสั้นนาคามีก็มีส่วจากคือมีรมพุ่งสั้นรมพุ่งสั้นทำให้จิตไม่เปยสุขจิตใจเศร้าหมองได้แต่ก็ไม่หนักหนักก็ไม่สามารถนำนำมัวบายภุมได้ไส้านาคามียังอา้ามีอวิชัา คือความหลงผิดบางอย่างยังมีอยู่แต่ไม่สามารถรวมไปในภูมิได้เรดูความว่าคนเราถ้าจะหนีบาปจริงๆมันหนีมันกันไม่ได้แล้วเรื่องไม่ทําบาปเลยเนี่ไม่ได้มันต้องมีบาปกันแน่แต่ว่าคนที่เขาไปเป็นเทวาดาได้จะเป็นเป็นชั้นเป็นเกิดสนหนุนบนสวรรค์ได้กดีเปอนคนมรรคกดีป็ิพพานก็ ด, กดีทั้งหมดนี่ไม่มีใครหมดบาป เป็นคนที่ยังมีบาปติดอยู่เสมออยู่มากมายแต่ว่าเป็นคนที่มีความฉลาดคือสามารถหลบบาปไปได้ที่หลบบาปง่ายๆเบื้องต้นสมมติว่าเราไม่สามารถจะเป็นมรรสดาบันได้ก็ดูตัวอย่างสุปฏิทิตาเทศพมุต เอาคนนี้ก็แล้วกันเพาคนนี้เป็นคนจอมบาปถ้าจะรวมบาปทุกคนที่นั่งกันทั้งหมดนี้เอามาวงใส่ว่าในที่เดียวกันเมื่อรวมแล้วไม่ตท่งบาปของสุปฏิทิตาคนเดียวไอ้เก่งกว่านะเพราะว่าสุปฏิทิตาเนี่ยสมัยเป็นมนุษย์ ขอยอมรับว่าเป็นเอตัคฆ์จริงๆเอ้ตัคฆ์แค่แบบเลิศคือเลิศเส้นได้ความชั่วไม่มีใครมีความชั่วเสมอเหมือนขึ้นชื่อว่าความดีนิดหนึ่งแม่เคยปฏิบัติเลยแต่ว่าเขาอาจจะมีดีก็ได้น่ะคนมีเมียได้มีลูกได้ก็ต้องดีๆไม่เมินไม่สรับแต่ว่าไอ้เรื่องบุญไม่เคยทํา ผู้ได้เจ้าเคยเลยผ่านบ้านพระสงฆ์เคยเลยผ่านบ้านแม้แต่มือยกมือไหวก็ไม่มีใส่บายก็ไม่เคยทำเรียก็ไม่เคยฟังแล้วก็การทําบาปชิ้นห้าประการนี่ท่านมีครบถ้วนหรือว่าไม่ใช่มีสิ่งครบถ้วนมีการทําลายชิ้ครบถ้วนใช่ไหม ทำลายทั้งศีลทั้งธรรมศีลห้านี่ครบทุกข้อเรียบร้อยมเหลือขาดหมดแล้วก็ถ้าผู้ซีก็ไม่มีศีลจะขาดก็ไม่มีนะนอกจคนั่งก็ทำลายธรรมเวลาใครเขาทำบุญทุนทานกันเห็นแล้วเกรงเขาจะถวนแกล้งทำไปไเป็นไม่เห็นเขาฟังเทศฟังธรรมกัน กแ็รรแกล้งส่งเสียงสดเสียงของเสียงองธรรมะรวมความแล้วสุปฏิสิตาที่บุบก็เป็นจอมบาปยกยอดสุดในบรรดามนุษย์ทั้งหลายเชิญหลักโทษท่ทังสุปฏิสิตาที่บุบท่าตายอันดับแรกต้องลงเอาเวทีมารลิก แล้วออกจากเวทีมารกก็ต้องผ่านนรกบริวารสี่ขุมก็ว่าในแบบนั้นมาต้องไปขุมออกจากคุ้มใหญ่ก็บริวารสี่ขุมออกจากคุ้มใหญ่เขบริวารสี่ขุมรับจังหวะไม่ไม่ก็ไม่ครบพุทธหมายว่านับเวลาไม่ได้แล้วต้องมาตกโยม โ, มโยมรตีนรกอีกสิบขุมกลัวความว่านรกมีสี่ขุมท่นเป็นเจ้าของทั้งหมด มีสิทียเป็นสัตว์นรกได้ทุกขุมออกจากนรกก็เป็นเปรตทุกเชียวพวกที่สองย่างพวกออกจาเปรยแล้วเป็นอาสุรกายจากสุรกายแล้วต้องเป็นสัตว์ดิฉันเป็นสัตว์ดิฉันเท่าชีวิตสัตว์ที่พึ่งฆ่ามาในกระไม้ความฆ่าปลาตายมีกี่ตัวเกิดจะเคยฆ่าปลาประเภทไหน ก็ต้องเกิดเป็นปลาประเพื่อนั้นเท่าจํานวนที่ตัวฆ่าให้เขาฆ่าให้ตายเนือฆ่าสัตว์กระเพืไหนบ้างก็ต้องเกิดเป็นสัตว์ประเพืนั้นเท่าจํานวนนั้นเมื่อชำระภพทุนแล้วก็ต้องเป็นสัตว์พิเศษคือเป็นแรงห้าร้อยชาติเป็นกาห้าร้อยชาติเป็นสุนัขบ้าห้าร้อยชาติไม่จากสัตว์นะ ขอพ้นจากความเป็นสัตว์ก็มาเป็นคนเป็นคนง่อยห้าร้อยชาติเป็นคนหูหนวกห้าร้อยชาติเป็นคนตาบอดห้าร้อยชาติซึ่งคนบ้าห้าร้อยชาติมีตามบลีทั้ว่างั้นนะถ้าใครไม่แ ม, ม่แน่ใจก็ไปเดาดิงเวลานี้สุปฏิจิตาที่หมดอยู่เดาดึงเป็นพระโสดาบัน ที่โทษท่านท่านทำใ น, นนี้เพราะว่าท่านทำความชั่วอาเพศวันดีไม่ละกันกละไม่เวนเป็นอาินกรรมคำว่าเป็นอาจินกรรมนี้ทําไม่หยุดแต่ได้วว่าสุปฏิิตาที่หวดถึงแม้ว่าจะมีโทษขนาดนี้แต่ได้ ว, ว่าอาศัยขนาดที่ท่านป่วยหนักๆใกล้จะตายทุก็เวทนาชอบงามาก ตอนนั้นจะหาใครเพื่อนที่เึือนไม่ได้หุดรปัญญาพี่ดาลก็ต่างคนใช้ก็ต้องวงคนทุกคนต้องมีคนรักปัญญาก็รักท่านลูกสาวลูกชายก็รักท่นานขา้าข่ายหญิงชายที่รักก็ให้เงินคือคนทุกคนก็ต้องมีความดีอยู่บ้างเป็ น, อนของธรรมด า, าทุกคนก็ตั้งล้อมรอบ แต่ก็ทั้งกัมองลูคนบางมองดูคนคนี้เบาแต่ทั้งกับนึกในใจว่าเรามีทุกเวทนาอย่างหนักทรัพย์ ส, สินที่เราหามาได้รำ่ำรวยขั้กก็เอาดีเอาดีนี่มีเงนินมากกันต่างกว่า40สิบโขนิดหน่อยทรัพย์สินทั้งหมดไม่สามารถจะช่วยเราพ้นทุกเวทนาได้ หปัญญาก็ตา่างที่ใดก็ตา่างคนใช้ก็ตา่างก็มีความโงใ่ในเราเวลานี้ทุกเวทนาก็อบงำหนักก็ไม่สามารถจะพระมาใครก็ไม่สามารถจะช่วยเราได้นึกในใจว่าเราหมดจิตถึงต่อมาเมื่อทุกเวทนาหนักมากขึ้นก็นึกต่อไปว่าโคตรลืมว่าพระสมณโคดม ถ้นรู้ว่าพระสมณะโคดมเป็นท้าใจดีมากไม่ตามไม่หลอกใครแล้วก็เป็นท้าที่มีฤทธิ์สามารถจะช่วยไขก็ได้เวลานั้นท่านก็เลยนึกถึงพระเจ้าขอให้พระสมณะโคตมมาช่วยให้ายเจลาโรคไขไขเสียความจริงไม่ได้เาคารพแป่นองค์บุตระให้มาช่วยรักษาแต่พวบางเอิญพด้เจ้ า, จจามาได้เป็นหมอ เป็นครูมารคัาสเป็นหมอไม่เรียกครูมารภัาสเนียเรียกผิดตัวใช่ไหมก็่าดีนึกถึงพระพุทธเจ้ามาขนาดที่นึกถึงพระพุทธเจ้าทำมาช่วยนั่นเองในช่วงระหว่างนั้นขั้นตอนตายทันทีคือในช่วงระหว่างนึกนะไม่ใช่นึกเดี๋ยวเี่ปักกตายเลยคืออย่างนั้นปัปวดมากขึ้นมาก็ตั้งใจว่าขอพระสัมณัุทาช่วยเยอะก็คนหมดที่พึ่ง มันนึกอะไรก็ไม่ได้กระกอยอย่างนั้นขอตายเวลานั้นอาศัยบุญนิดต่อยคือสร้างบาปมาตลอดชีวิตในเวลาก่อนจะตายจิตเป็นอุศนถึงพระพุทธเจ้าตายจากความในคนไปเกิดเป็นเทวดาวบนสวรรค์แคเดาดึงสถบติวโลกมีวิมานทองคําเป็นที่อยู่มีนางฟ้าหนึ่งพันบริวารเราโลความว่า ท่าน้นฐานนะท่านเป็นคนถ้ามีความประมาทนี่การตายไปแล้วไปจิต ใ, ใจดวงเดิมก็ไปเสี่ยงติดในร่างกายที่เป็นคิดทั้งแม้ว่าอารมใจจะเป็นคิดความประมาทก็ยังปรากฏตามเดิมเมื่อไปเกิดเป็นโยดาแล้วก็ประมาทต่อไปไม่ใช่ความเป็นคิดดูความเป็จริงว่าก่อนจะมาเกิดที่เนี่ยเอามาจากไหน ส่วนใหญ่เทว ด, ดาก็ดีพร้มก็ดีเขาไ ม, าม่จะดูแบบนั้นพอเสวยที่ประสมบัติปักเขาจะมองดูข้างล่างว่าก่อนที่เราีะ ไ, ได้ที่ประสมบัติอย่างนี้เราเคยเกิดเวรกรรมาก่อนตายจากไหมาเพราะบุญอะไรช่วยเราให้เป็นอย่างนี้แล้วเขาจะสร้างคนต่อนี่เป็นเทว ด, ดาหรือพรที่มีความไม่ประมาทในสมัยที่เป็นมนุษย์อย่างพวกที่นั่งล่าเนี่ยก็จะไม่ประมาท แม้ว่าสุปติทิตาที่บุตรไม่คิดอย่างนั้นพอสเสวยสุขข้อน้อยเดียวก็หลุตัวหรือว่เรามีความ ส, วสุขเสวยความสุขในความเป็นคิดอาศัยที่มีบุญ น, น้อยบุญของท่านมีคิดเดียวช่วยกันหน่คิดเดียวเป็นเทวดาบนสวรรค์จะดาวจริงเปเทวดาโลกระยะนั้นก็เป็นเวลาพอดีที่ พ, พระพุทธเจ้าไปเทศโก ท, ทัตมันดา แต่ความจริงทั้งขึ้นไปก่อนนะมันจะเป็นวันเดียวกันแต่ว่าเป็นเวลาระยะสัน้นๆเวลานั้นก็มีดวดาวองตามพระมาลีธนิวาากาสจารีาเทพประปุตแต่ความจริงชื่อจริงชืง่ออไรไม่ทราบเขาเรียกตามมาตามจญุยาท่านฟังเทพประเดี๋ยงก็ห่อไปเรียกกาศวิมานต่างๆ ว่าเวลานี้พระพุทธเจ้าขึ้นมาโปรดฟังเทศที่บรรดุกพรศิลาอ่านขอบรรดาบรรดาเ ท, ว, ทวดารนางฟ้าทั้งหลายสร้างการบูรุศลสร้างต่อสร้างบุูรุศลต่อเปนฟังเทศจากพระเจา้าทั้งรายการแล้วท่านก็นมาฟังเทศอฟังอาจจะพอเมื่อยหน่อยๆมะหออกต่อไปอขยันห อ, อกตรงนี้นะที่หมายว่าเอาบุญในการบอกบุญก็ดีไปพบ มีมันก็สุปฏิทิตาที่บุตรตามธรรดานิวร ด, ดาไห้ในจุติดดนิดานี่ธรรมดาเครื่องที่จะไม่ไม่เศร้าหมองร่างกายจะไม่มีเนื้ในเวลาท่าล่างเครื่องที่เศร้าหมองก็นี้ร่างกายมีเนื้ออดีตเแสดงว่าที่ตอนจุดติคือตายเครื่องจากความมีธรรมดาท่านก็เลยมีมัยก็สุปฏิทิตาที่บทเศร้าหมองก็นั่งดู เพาทราบว่าเิวดาอง์นี้จะต้องตายภายในจิตวันจิตวันมนุษย์สนะ น, น, นี่นจิตวันเทวดาย้อนตะโกนบอว่านี่ใครไปยังของมีมานี้ครจะต้องตายภายในจิตวันทาให้ไปสั่งสมบุญต่อสมุติจิตาที่บุตรฟังก็ตกใจมองดูตัวเป็นเครื่องคิดเศร้าหมองเมงื่อไหลเจ้ารัแกแร้เขาเร้าจะต้องตาย ก็ทบทวนดูว่าท่าตายจากความเบญญาดาจะไประยุกติไหนนั้นเขาทราบก็ทราบตามที่เราบอกกี้ว่าต้องลงอเวจีก่อนเป็นต้นแล้วเชื่อธนนดักก็ตกใจก็บอกให้ตั้งการประจารลีที่โรมุขช่วยตัการปราชญ์ีส็บอกว่าแใจเราเบโญาดาแข็งเบญญาดาช่วยไม่ได้คนที่จะช่วยได้ก็ควรเป็นนายของเราคือพรินทร์เราากกัไปหาพระอินท พยินท่านบอกว่าฉันเป็นนายเตอจริงแต่กขาแค่เดวดาช่วยไม่ได้ก็ไปห า, าพระพุทธเจ้าถ้าพระพุทธเจ้าช่วยไม่ได้คนอื่นก็ช่วยไม่ได้ก็พาไปเฝ้าพระเจ้าขอเล่ารับเวลาในน้ดเสี่ยวเมื่ไปเฝ้าพระเจ้าพระเจ้าทรงทราบกุศลนาดูว่าท่าเทศะบิธรรมจะมีผลกับเดวดาองค์นี้ไหมก็ทรงทราบว่าไม่มีผล ทาฟังว่าเดียวเดียวเธอสตติต้องลองอาวีีมาอนรก์ก็พิจารณาคาสอนว่าควรจะเป็นอะไรก็ทรากว่าถ้าเทิดุณิโดยใจสตรเทิกันนี้เยวดาองค์นี้จะชอบฟังจบเคยได้เป็นโสดามันพระธเจ้าจึได้เชิดกันนั่นจบเธอเาเป็นมโสดามันแล้วก็เป็นมโสจามันอยู่ข้างเดียวนี้นะ วันนี้พระอาจารย์เตือนมาบอาไว้ใช้ทำมานุติกรรมฐานให้มากนี่ก็มากแล้วใช่มครับเข้าไปจัคึง ข, ขงโมยรความว่าวันนี้ก็แนะนาในเรื่องการหนีบาปเป็นต้นไอ้หนีบาปนีไม่ได้ขอโทษต้งนีนรกกันเนื้อไวยะภูมิี่นีไวยะภูมิอย่างนีบรรดาเจ้พุทธบริษัทเวลาเนี่ยถูกต้องแล้ว คือว่าตั้งใจทำมูญตามเวลาเวลาจะมาเจริยนสมาธิให้มันม า, ากันต า, ามปกติยังไม่ถึงก็หนดจะมาถ้าอยู่บ้านก็ควรจะตั้งเวลาไว้เวลาไหนบ้างที่เราจะส่งสมาธิารราจิตการส่งสมาธิจิตคุดีสมาทานถิงดีบูชาพระกดีก็ไม่ควรจะให้ถึงกั น, กนลาบากนะัก ย่งงข้ามเนี่ยเหนื่อยมาตั้งแต่เช้าก็ไม่ควรจะทรมานนั่งกายให้นายเกินไปใช้เวลาอย่างมากสักห้านาทีก็พอหรือว่าถ้ามันนั่งไม่ไหวนอนก็ได้ก่อนจะนอนก็กราบกราบที่หมอนนึกถึงกราบข้างแรกนึ่ถึงเข้าเสีย้าวอ้านี้สองนุ่ 2, นถงถรงมรรม ท่านมี่สามถึงก็เรียรสงฆ์ได้บิดาบันดาเป็นตน้นหลังจากไลนกันนอนมังก็พอวนาว่าพุธโธสัมมาอหังนะมะทา่าหลักตามใจคือทำจิตให้รู้สนอย่างใดหนึ่งที่เราชอบคำาอนาลนนี้ไม่จำกัดนะสำหรับท่านี้ได้มโนยิทิถ้าสามารถปณิพนานได้ก็จะไปรอจิตแจ่มใส เพาะข้าเคยเห็นแล้วให้ตั้งใจตัดสินใจว่าขึ้นชีวิตการเกิดสิ่งคนมันเป็นทุกอย่างนี้เราไม่ต้องการมันอีกเป็นเดวนาแล้วผมเป็นสุขจริงแต่สุขไม่นานมต้องการนี่เราต้องการตัวเดียววิญญาณรางแั่งก็จับรู้ว่าใจเขาออกภาวนาพอสมควรนิดหน่อยถูกต้องมากผุ่งใจทรงวิญญาณทันที เมื่อถึงนิพพา น, น, นคิดว่าเวลานี้จะอยู่ต่อหน้าองค์สมเด็จตุสัมมาสัพพุตสุยาตั้งใจว่าถ้าร่างกายตายเมื่ไรเข้ามาที่นี่แห่งอยู่กินนั้นใช้เวลาแค่สองสามนาทีก็พอแล้วก็กลับมานอนสบายถ้าสื่นที่ช้าตื่นขึ้นมาใหม่ๆก็าว่าต้องลุกจากที่นอนก็ได้นอนอย่างนั้นนไม่ต้องลุกนก็ได้ล่วงลงดูลงใจพุ่งปาิพพานทันทีตั้งใจตามแบบเดิม เพียงเท่านี้บรรดาแชมพูบริษัต์ทุกคนจะลงนรกไม่ได้ในชาตินี้ตอนน่อไปบมดดาแังพูบรยิยัทหลายตางจสมารถชินสมารถก็สมคร